สุริโยไทยไขยแสงกล้แจ้งแล้วฝูงวิหกร้องเจือแจ้วสแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในรพามูปักษายังขยันมันหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใหญ่เล่าตื่นแต่เช้าเพื่อเกาจิตเป็นนิจสินสแสวงหาพระธรรมองค์สัมมาเป็นอาจินชำระล้างซึ่งบนทินออกจากใจ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 เมื่อไม่หลงเพลิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญนั่นซ้ายตื่นขึ้นรับสดับธรรมเช้านี้ก็เริ่มต้นด้วยเสียงปุกรับปรุณก่อนเนี่ยปู้ผู้กรชอบเพราะมีความหมายมีการเตือนไม่ให้เราประมาทชีวิตมีการพูดถึงความตายเพราะความตายเนี่ยถ้ามาถึงเราเนี่ยความตายเกิดขึ้นง่ายนะตอนเนี้เจอข่าวสงครามข่าวฆ่ากันตายแต่และ ว, วันเนี่ยถึงเราจะไม่ล่วงเกินใครไม่ไปด่าใคร มีนคนดีไม่บียเป็นใครก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่เบียดเป็นเรานั่นเราก็ต้องนึกถึงความตายอยู่เป็นนิด<_ <EN> _>เพื่อแม่เราเนี่ยประมาทในชีวิตการนึกถึงความตายบ่อยๆเนี่ยมันเป็นการช่วยทำให้เราเนี่ยรีบขนขวายทาความดีไม่ผัดผ่อนเพราะถ้าเราไม่ถึงความตายเนี่ยจะผัดผ่อนผัดวันประกันลุ่งอย่างตัวผู้พูดเองเนี่ยก็คิดถึงความตายอยู่เรื่อยเวลาทํางานเนี่ยจะที่ทำให้เสร็จเร็วที่สุด อย่างถ่ายวิดีโอเนี่ยอัจมาจะรีบกับกุติแล้วก็รีบทำเพราะเราไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวฝนจะตกไฟจะดับหรือคอมจะแห้งอะไรเงี้ยเราไม่รู้เรื่องหรือตัวผู้ผู้ผอะจจะตายก็ได้นั้นสิ่งที่ทำเนี่ยพอเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ปลดเปลื้องภาระแล้วสบายใจมีความสุขแล้วงานเราก็อัปเดตตลอดถ้าเรานึกถึงความตายบ่อยเราไม่ห่ผอผออันนี้เปนข้อดีจรนะเพราะความตายเนี่ยเป็นที่สุดอย่งทุก ทุกทุกชนิดเนี่ยถ้าเทียบความตายแล้วถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองไฟเสียงที่เรามาทําเนี่ยทําให้หลวงพ่อใบสารเนี่ยมาชอบชอบอยู่ไฟหนึ่งทั้งชีวิตที่อาจารย์เทศมาเนี่ยทั้งชีวิตนะทั้งชาติเนี่ยชอบอยู่ไฟเดียวชื่อไฟนึกถึงนิพพานและความตายเป็นนิดเพราะไฟนี้ฟังเนี่ยตั้จนจบเนี่ยมันเต็มด้วยพลังและให้แง่คิดเวลาเราเจออุปสรรคคือความทุกข์ยากเนี่ยเรานึกึนิพพานนะแล้วก็ ถือว่านิพานเนี่ยเป็นบททดสอบอชีวิตเลยโอ้โหแค่นี้เรายังทำไม่ได้ติบนตีโพยตีพายติดอารมณ์ไม่ผ่านเนี้ยเราไม่ได้พูดถึงนิพานหรอกยากเพราะคนที่มุ่งนิพานเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเนี่ยมันจะเป็นบททดสอบที่หนักกว่าคนธรรมดาเหมือนเราี่จะขึ้นเขาสูงเนี่ยเราก็ต้องลงคุณเดินขึ้นเขานะด้วยความยากลำบากใช้เวลานาน แต่เวลาขึ้นเขาแล้วเนี่ยเราจะเห็นอยู่ทุกท่าที่สวยงามถ้าบางคนเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายไว้แค่ตีนเขาเขาจะเห็นแค่ตีนเขาแหละแต่กัลลบากน้อยลงทุนน้อยบททดสอบก็น้อยถ้าเราอยากเจอบททดสอบต่างๆเนี่ยเราก็รู้ถึงนิพานและความตายบ่อยๆเพราะว่าอย่ามาเจอบทแล้วเสียทรัพย์เสียคนรักเสียสุนทรีต่างๆเนี่ย เจอวันทุกชนิดมีที่ไม่เจอคือวันตายนั่นแหละบางอารมณ์เราก็ผ่านได้เสียของรักเนี่ยตัวระบาดชิ้นของได้ไวมากต่อยของกี่หมื่นหรือเป็นแสนก็ตามแล้วฝึกบ่อยๆแล้วเราก็สามารถรับมือกับพวกนี้ได้เวลาสูญเสียหรือคนรักญาติพี่น้องพ่อแม่หรือแฟนเนี่ยเราก็พร้อมที่จะสละหรือเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีบาดเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็ทดสอบเราเหมือนกันนะอย่าง เมื่อครึ่งเดือนก่อนครึ่งเดือนกว่าเนี่ยออกมาเป็นเกาเป็นเกาเรื้อรังเลยเป็นต้งเกือบครึ่งเดือนน่ยเดินขาก็เพลกเจ็บปวดเกาเนี่ยมีเวทนาที่รุนแรงมากเป็นโรคสาดิดฉะนั้นเวลาที่มันขึ้นถึงจุดที่มันขึ้นถึงจุดสูงสุดเนี่ยมันปวดแล้วทุทรมานมากแล้วความสวยก็มาไม่ได้ไปแค่เกาเดินขาพลิกอีกเส้นเกอพิกมันก็เลยดับเบิลเลยทั้งเกาทั้งเส้นพิกวันนั้นอ่ะเดินไม่เดินไม่ได้เลยเดินก็ต้องขยิง ข, ขา แถมไม่อยากเดินเลยมันก็เหลือขาข้างเดียวแล้วอีขาข้างนึงก็เจ็ปวดก็ออกมากินข้าวเช้าไม่ได้ก็บอกหลวงพ่อไปสารไปแต่เพื่อนบอกผิดคนวันนั้นแหละเราอดข้าวเลยเพราะว่าอาจารย์เขาก็ไปเขาก็ลืมเราเราลุกินข้าวก็ไม่ได้บอกคนอื่นไปมามาก็กลายเป็นคนอื่นมาช่วยเราโดยที่เราไม่คาดฝัน<笑><笑>เวลาเจ็บปวดแล้วบางทีก็แล้วก็ดูให้บางทีเราก็ตีโพดตีภายเหมือนกันนะมันมีอาการน้อยเนื้อต่ําใจ ตีโพยตีภายพราะเบียดนานมากแต่อีกใจ น, นึงก็ถ้าเกิดได้ฝึกตัวเองนะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดแค่นี้เราผ่านไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดเราเจอความตายขึ้นมานะ่ะเราจะทําทไงถือว่าบททดสอบเราเจอบทแล้วและการเะพูดธรรมะนี้ก็เป็นบททดสอบนะเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดอรรมาพูดด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์นะี่พูดแต่พูดพด้วยอัตตาอยากขยมชื่นชมอยากให้อาจารย์ชมว่าเราเนะี่ยมีปัญญาพูดเก่ง มีข้อคิดแน่คิดดีอันนี้เป็นอัตานะพูดแบบหวังการขึ้นชมจากคนอื่นจิตใจไม่บริสุทธิ์แต่เราพูดธรรมะเนี่ยอย่าให้โยมได้ประโยชน์แล้วก็เป็นการลดอัตตาตัวตนของเราด้วยเมว่อเย็นนี้อาจารย์ก็พูดเรื่องอย่าให้มานักของใจนะมันเลกระแทกไปเยอะเลยจนโอ้โหแบบถือบางอ้ออ่ะโอ้โหบางทีเราก็บวชานานนะคนบวชนานนี่อัตตาเยอะนะไม่ใช่น้อยนะบางทีมันมีเรื่องอายุ ด, ด้วยโอ้เราใกล้หกสิบแล้ว บางทีเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมันบางทีมันก็ทํากับเราอย่างงู้อย่างนี้อะไรเงี้ยเด็กวันซื้ออะไรเงี้ยมันจะคิดแต่ที่จริงแล้วถ้าคนเข้าใจธรรมะเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอายุไม่มีเรื่องภาษานะจิตไม่เป็นอะไรนะเรื่องอายุภาษา เ, เรื่องความคิดทั้งหมดเลยเป็นเรื่องอัตตาที่เรายึดสมมติไว้แล้วเหตุคนแก่นเนี่ยด่าดเด็กเด็กวันซื้ออย่างนู้อย่างนี้หรือยึดถือต่างๆที่สมมติทางโลกสร้างขึ้นมาแั้วเลยที่จริงแล้ว ถ้าเราเขาจะละมานเนี่ยเราจะรู้ว่าเรามีรู้กับหลงนั่นแหละนอกนั้นเป็นเรื่องความคิดทั้งหมดเลยถ้าเราเรารู้เราก็ออกจากความหลงถ้าเราหลงเราก็ไม่รู้เราก็อยู่ในโลกความคิดแต่ถ้าเกิดเราไม่ฝึกเนี่ยเราก็จมในโลกความคิดอย่างลึกเลยนะออกไม่ได้ปรุงแต่งช่วยเป็นปรุงแต่งด้วยปรุงแต่งวนเวียนอยู่นั่นแหละบางคนเป็นหนักค่าตัวตายก็มีแต่ถ้าคนฝึกจิตตัวเองเห็นความคิบ่อยเนี่ยมันหลุดจากอารมณ์ที่ปรุงแต่งได้พอหลุดปุ๊บเนี่ย มันก็รู้เหร อ, อคิดไปได้ยังไงแบบแบบนี้มันเหมือนนั้นมันจะเบาขึ้นมาเลยแล้วความยึดถือต่างๆเนี่ยมันจะน้อยลงมไม่มีทางออกเฉะั้นเราต้องมาปฏิบัติทำแหละถ้าเราไม่ปฏิบัติรมนะเราก็ไม่เห็นความคิดเราก็จะเป็นทาสของความคิดแล้วก็ติดอารมณ์ความคิดเนี่ยมีทั้งขูดทั้งโทษถ้าความคิดจะดีเนี่ยมันแค่ทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจทําความดี เราทำความเพียรต่างๆให้ประสบความสำเร็จแต่ถ้าความคิดแค้โทษเนี่ยมันจะเป็นความที่ยึดอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากได้อยากมีอยากเป็นได้เท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าเราไปท้านความคิดนะอยากกินอาหาร่อยแค่ไหนไก่แค่ไหนมันก็ไปอยากได้อะไรเราให้ได้แล้วไม่ได้ก็ผิดหวังเสียใจถ้าเราตตาเยอะเราก็จะทุกข์ง่าย เหมือนลูกโป่งอะที่มันแบบลูกใหญ่อะ่ะโดนญ้าโดนเข็มก็ระเบิดละตูมแต่ถ้าเราเป็นคนที่อัตราน้อยนะใครมาด่าเรานินทาเราเราก็ไม่ถือสาหรอกอยากว่าก็ว่าไปอยากด่าก็ด่าไปแต่มันก็ทํายากนะที่พูดมาเนี่ยแต่ถ้าเรานึกถึงนิพายนจุดหมายเนี่ยมันในบททดสอบถ้าเราไม่มีนิพายนจุดหมายมันก็สอบตก เราก็สอบตกเรื่อยๆนะตกบ้างบางทีบางอารมณ์ก็สอบผ่า น, นก็ต้องฝึกกันไปอย่างหน้ากับที่บวชเน่เวลาเข้าโบสถ์เน่ยอุปชาก็จะให้เอ่ยขา่าวบวชนาคเลยอะสัพพทุกขะนิพพานะสัชชิกกระนฐายะอิมังกาสาวางังเหตตวาปับพาชิตะบางพันเตยนุ ก, กปังอุพทายะก็คือให้ถามอธิษาให้แจ้งกันแหละจะถึงไม่ถึงนี่เรื่องหนึง่ง แล้ว ก, ก็ให้กรรมฐานคือเกสาโลมานาขาธันตาตะโจเนี่ยให้ท่องกลับไปกลับมาแต่นาคก็ลือหมดแล้วล่ะเพราะว่าสัพพตุขะนิพพานสัชชิกระธายาเนี่ยก็ถือจุดรุ่งหมายของการบวชแต่สมัยดีประเพณททีของไทยเราเนี่ยก็บวชชั่วคราวแกบาทีเดี๋ยวก็สึกแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้นพนนุทไพรรึยอย่างไดพักบวชนานก็เหมือนกันบางคนก็ไม่ได้คิดถึงนิพพานอยู่เปวันหนึ่งเดี๋ยวก็มีข้าวกิน มีอะไรนะมีอาหารมีข้าวกินมีที่นอนบางทีไม่ได้นึกถึงเลยพวกนี้เป้าหมายชีวิตก็ไม่มีผมไม่มีก็เจออุปสรรคต่างๆก็ต้องทุกข์อ่ะถ้าเราพิจารณาบา่อยๆเนี่ยขนาดที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะมีสิ่งที่ครอบงมเราอยู่อย่างในบทพิจารณาปัจจเว ท, ที่เราสวดไปเมื่อคู่เนี่ยมันจะมี เบื้องต้นเนี่ยเป็นคาถาการทุกเลยที่อาจารย์ไพศาลเคยพูดไว้อะถ้าใครท่องไปจำไปบ่อยนะเอาไปใช้ชีวิตประจําวันได้เนี่ยอย่างเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะ ล, ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ตอนนี้ผู้พูดก็แก่แล้วเริ่มเห็นพิจารณาเห็นตัวนี้เรี่ยวแรงแล้วก็ร้อยลงสมองเสมือนก็ไม่กระชับไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วความจําเอ๊ะเดี๋ยวก็ลืมทำอะไรต่างๆก็ไม่ได้สะดวกเหมือนที่สมัยก่อน ตาก็ม่ค่อยจะดีผมก็งอกหูหรืออวัยวะต่างๆเนี่ยพองหมดเลยผิวหนังก็เริ่มตกกะบ้างเราก็ดูเฮ้ยบฟันก็เริ่มบางอันก็โยกคอนบางอันก็ต้องถอนอะไรสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันจะให้โทษเราทีหลังถ้าเราพิจารณาดีจะทัทุกอย่างเลยไม่ว่าเป็นตาเป็นหูเป็นเป็นจมูกเป็นปากเนี่ย ร่างกายเราเองเนี่ยถ้าเรารักก็เราต้องผิดหวังอย่างแรงนั่นแหละเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นนิจจังทุกขังหน้าตาความคิดก็เหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงหมดนั้นความแก่ที่เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครผิดพ้นถ้ายอมรับมั น, น่ะ ย, ยอมรับความแก่ที่เกิดขึ้นทุกเจ๊น้อ ย, อยลงแล้วก็ความเจ็บไข่อุบัติเหตุเนี่ยเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา วันนี้เราสุขภาพแข็งแรงเราควรดีใจนะเพราะเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะแข็งแรงเหมือนเดิมไหมไอาจจะเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุก็ได้อุบัติเหตุเนี่ยน่ากลัวเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยเพราะเรามีสิ่งอำนวยความดวกมากมายพร้อมที่จะเอาเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจเป็นรถแล้วก็อื่นๆพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยบางทีถ้าเราไม่เตรียมเตรียมใจบ้างเนี่ย เราก็จะโทษเา่าอ้ทำไมต้องเป็นฉันวันทีก็ตีโพดีพายไปถ้าเรายอมรับยอมรับมาเน่ะทำใจยอมรับหายก็หายไม่หายก็ตายก็ยอมรับความตายที่เกิดขึ้นก็ช่วยให้ทุกบรรทาลงกได้แล้วข้อต่อมาก็เรามีความตายเป็นธรรมดาความตายไม่มีใครหนีพ้นน่ะความตายตายเวลาไหนตายที่ใดเราก็ไม่รู้ว่า วันนี้ชั่นหน้าประเทียนอนหลับไปอ่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะชั่นหน้าไหนมาก่อนบางคนนอนไปตายไปก็มีเป็นหลายตายเราก็ได้ได้ยินข่าวบ่อยๆถ้าคิดถึงความตายแล้วเรารู้ว่าต้องตายแน่นอนอ่ะแล้วไม่รู้ว่าตายเมื่อตายอายุเท่าไหร่นะเพราะว่าความตายเนี่ยเราไม่รู้ล่วงหน้าเลยบางคนไปตายตอนแก่บางคนก็โอ้โหก็ยังตายได้ทุกทรมาร์ต้องติดเตียง ตายไม่ได้สักทีใช้กรรมใช้ เ, เวรทุกทรมานก็มีแล้วเรารีบทําความดีเรารีบทําเลยสมมติถ้าจิตความคิดมันไม่ให้เราทํากุศลเนี่ยเราต้องทำก่อนใช้ไม่มีโอกาสเลยเมื่อจะเป็นทําบุญทำกุศลทุกชนิดแหะทําความเพียรต้องรีบทําอยากทําบุญสุนทานก็รีบทําเลยเพราะถ้าความคิดที่เป็นอกุศลมันเข้ามาครอบงําเนี่ยมันทําไม่ได้ เราก็อย่าผัดผ่อนฝาบตายแล้วพินาศบ่อยๆแล้วก็ยอมรับมันตายก็ตายเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยโลกเนี่ยเาอาให้เราอยู่ทั่วคราวนะไม่ได้อยู่ถาวรแต่ความคิดเราเนี่ยมันหลอกเราให้เราอยู่แบบถาวรเลยเราก็พยายามสะสมทรัพย์สมบัติหาชื่อเสียงบุกกรหามนาจซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นถ้าคนเข้าใจธรรมะเนี่ยรู้ว่าเป็นสิ่งของปลอมหามาก็าเรีกแบกมาหามแถมมาทํำมาทุกข์กัเราอีก ชีวิตพระเนี่ยดีที่สุดละเป็นนักบวชนนะสบายไม่แบบภาระอะไรถ้าคิดเป็นนะถ้าคิดจะเป็นก็นู่นแหละเต็มไปด้วยภาระบาทีหนักก็โยมอีกหลังจากนึก ง, งความตายเป็นธรรมดาแล้วนะมันก็มีเอ้ยเราต้อพัดพาจากของรักของอบใจของรักของชอบใจของเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะเราชอบไม่เหมือนกันการชอบไม่เหมือนกันนี่แหละ จึงทำให้ร้านขายหนังหรือเสิยเพลงเนี่ยมันขายได้เพราะถ้าชอบเหมือนกันมันก็แคบอะ่ะอันนี้สายคนเราจึงสั่ ง, ส, งสะสมไม่เหมือนกันชอบคนละอย่างอย่างบางคนชอบเพลงเก่ า, เ, ก า, เ, กาเพลงคลาสสิกบางคนชอบเพลงล็อกชอบเพลงป๊อปการชอบเพลงจริงแตกต่างกันมากเลยบางคนชอบเพลงเร็วๆจู่ว่าสนุกสนุก บางคชอบเพลงเก่าเพราะพะหนังก็เหมือนกันหนังนี่ก็ชอบไมเหมือนกันบางคนชอบหนังที่มีสาระบางคก็ชอบหนังตลกบางคนชอบหนังบูรล้างผานบางคชอบหนังผีสยองขวัญอันเนี้ยชอบไม่เหมือนกันก็ทําให้หนังก็ขายได้เพลงก็ขายได้เพราะใจเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วคิดก็แตกต่างกันน <fort> ั้นธรรมะการรีธรรมะเนี่ยสมัยพระดูองค์มีชีวิตอยู่เนี่ยก็เลยศรัทธามไม่เหมือนกันหรอกมีต้องเยอะแยะ สอนคนรู้อีกอย่างหนึง่งก็สอนคนรี้อีกอย่างหนึง่งคือพระองค์บิยาเนี่ยก็เลยทําให้คนเนี่ยเห็นธรรมได้ง่ายแล้วสอนคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าไม่ต้องปฏิบัติเลยก็หลุดพ้นได้มายุคสมัยนี้มีพระเจ้าแล้วเราก็ต้องแต่ธรรมะคาสอนท่านยังอยู่พระองค์ยังอยู่แล้วก็เดินตามได้อยู่เรื่องพัดภาคจะขอรักของชอบใจเนี่ยถ้าบางคนยึดมากนะยึดในคนรักเนี่ยก็จะโห่หนักมากเลยเรื่องคนรักเรื่องความรักเนี่ย ก็ยังเสียผู้เสียคนเลยบางคนเป็นบ้าไปเลยก็มีอันน่าเคยเห็นเนี่ยพอมีอทิ้งเนี่ยเป็นบ้าเลยจากคนดีๆอะ่ะเพราะว่ายึดติดความรักมากหรือบางคนก็ฆ่าตัวตายก็มีซึ่งอันนี้น่ากลัวมากการยึดแล้วยึดทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันบางคนห่วงทรัพย์สมบัติไม่ยอมให้ใครเลยบางทีมีคนมาป้นมีคนมามาปนเนี่ยก็สู้ขัดขืนแล้วก็ถูกค่าตายก็มีเก็ยึดถือทรัพย์สมบัติมากกว่าตัวเอง ของทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเลยจะเป็นบ้านเป็นรถคนรักเรือมันก็เก่าแล้วก็เสื่อมไปถึงเราบางอย่างไม่หายอย่างอาามาเนี่มื่อก่อนชอบซื้อไฟฉายมารุ่นใหม่ๆอะ่ะซื้อมาเอ้ไฟฉายเสียทุกกระบอกเลยเมอเราเราเร า, เราไม่ได้ใช้อะ่ะตอนหลังตอนที่ใช้ไฟฉายโหลแล้วเมื่อก่อนอนะ่ะหมดเงินค่าไฟฉายเยอะเพราะวัดเราเป็นป่าไงอพอตอนหลังออกมาอพอบวชไปนานานี่บางทีไม่เปิดไฟฉายไเลยทีมตอนตอนบวชใหม่เนี่ยโอ้โหเราต้องไฟฉายแรงนะ จะได้สว่างสว่างกลัวงูดีเราก็ไม่ได้กลัวงูแล้วสิ่งที่เรากลัวหลายอย่างอ่ะก็จะเป็นงูตุ๊กแกก็จับได้งูเราก็ไม่กลัวผีเราก็ไม่กลัวที่น่ากลัวกับพวกนี้คือความคิดเราเองความคิดเราหน้ากลัวที่สุดเลยแล้วความคิดมันครอบงำมาเรามารุ่กกี่พกกี่ชาติถ้าเห็นมันครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นมันแล้วก็หลุดออกจากอารมณ์ความคิดได้เนี่ยอันที่สองไม่เราพูดถึงครบชาติเลยจะสั้นลงสั้นลงอารมณ์ที่มาครอบงํำเราก็จะไม่รุนแรงถึงเราจะติดอารมณ์บ้างบางครั้งตามวิสัยผู้ดิชนเนี่ย มันก็ไม่แรงมีทางออกทุกปัญหามีทางออกหมดอั น, นั้นเรายอมรับนะอนะสิเราเราพลาดพาดจะขอรักขอชอบใจแล้วมาเนี่ยมาเรามีกรรมเบอรของตนทําดีจะได้ดีทําชั่วจะได้ดชั่วเนี่ยเรื่องกรรมเนี่ยถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฝึกแมันไม่เชื่อหรอกเพราะมันเชื่อคนจํามจากคนอื่นมาแต่ถ้าคนฝึกคนปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตใต้สำนึกมันบันทึกกรรมมาล้อยหมดแล้วนะเราพูดอะไรเราด่าใครไว้เราร่วงเกินใครไว้เราโคดโกง เราทําอะไรไม่ดีไว้เนี่ยมันบันทึกไว้หมดแล้วมันจะออกมาแสดงให้เราดูบางทีเราฆ่าสัตว์ฆ่าปลาฆ่าไก่ฆ่าเป็ดหรือทําร้ายคนหรือติดเหล้าติดบุหรีติดยาสิ่งเสติดทุกๆชนิดแหละเอาปัมุขทุกอยชนิดกาพันนันเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ฝึกนะไม่เจอสตินะมันไม่ออกมาหรอกมันจะออกมาตอนตายทั้งหมดอะออกมาถล่มเราเมื่อนั้นเราับมือไม่ได้เลย แต่ถ้าเราเจอสติ บ, บ่อยๆมันจะขึ้นมาโชว์ตัวแบบรุนแรงพอเราเห็นมันปุ๊บเนี่ยเห็นมันทุกครั้งเนี่ยเราได้ล้างกรรมแล้วเราก็จะเชื่อว่ากรรมมีจริงถ้าคนเชื่อลังกรามเนี่ยมันจะไม่เบียดเบียนตนเองแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นหรอกเพราะมันรู้ว่าโอ้โหเหียดเบียนปุ๊บเดี๋ยเป็นกรรมไปด่าใครว่าใครไปทําร้ายน้ําใจคนอื่นเนี่ยอันนี้เป็นกรรมเป็นกรรมจริงนะไม่ใช่กรรมสมมตินะอย่างอย่างอย่างวินยัยภานเนี่ยมันสมมติปัญญาต บางตัวก็ไม่ได้เป็นกรรมไม่ได้เป็นกรรมทุกตัวแต่ว่ากรรมจริงๆคือสีห้าถ้าเราเราเมื่อสี่ห้าเนี่ยตั้งแต่ข้อหนึ่งเนี่ยฆ่าตัดชีวิตเนี่ยแล้วก็ไปลักขโมยไปเป็นชู้กับลูกเมียคนอื่นเนี่ยของรักคนอื่นเนี่ยหรือโกหกโกห ก, ก, ห ก, ก, หกแล้วก็เจ็บเจ็บติดของบินเมาอ่ะก็จะเสียผู้เสียคนบางคนแอบโกหกว่าฉันโกหกแล้วฉันก็ไม่เป็นไรเนี่ย เพราะว่าโกหกแล้วบางทีก็ได้ตังค์ด้วยเอาไปหลอกลวงคนอื่นอะไรเงี้ยแต่หารู้ไหมจิตใต้สันึิมันไม่ได้คิดอย่างนั้นอ่ะมันบันทึกไว้แล้วแล้วมันก็รู้ว่าเราชอบแบบนี้เดี๋ยวมันก็สนองเราในรูปแบบใดแบบหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงคาตศาสตว์ก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็ทําเราเกิดอุบัติเหตุอย่างแรงหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันการลักขโมยก็เหมือนกันมันบันทึกไว้อ่ะใครคดโกงอะไรใครไว้เนี่ย ของฟรีไม่เบียร์โลกหรอกมันจะบันทึกไว้แล้วเรา จ, จ่ายค่าตอบแทนที่แพงกว่าด้วยลูกกี่เท่าอุณากรู้เรื่องกรรมถ้าเกิดคนไม่ฝึกไม่รู้เรื่องกรรมเนี่ยมันจะทํากรรมชั่วได้ง่ายเลยทํากรรมดีก็ไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่หรอกเพราะมันทําด้วยความอยากได้บางทีทําบุญร้อยหนึ่งก็อยากได้ไปสวรรค์ขอยู่ถูกหวยอะไรเงี้ยมากมายเลยมันมีกิเลสแฝงอยู่แต่แล้วคนทําบุญ เป็นนะเขาก็ทำแบบอย่างเราปล่อยปลาเนี่ยเราไม่ได้หวังอูจจาระนะเราปล่อยเพื่อช่วยชีวิตเขาให้เขามีความสุขหลดผลจากทุกทรมานหรือช่วยคนอื่นช่วยหมาช่วยแมวหรือช่วยคนอื่นเนี่ยเราไม่หวังผลตอบแทนไม่ได้ขำขอบใจแต่เราไม่เข้าใจลรรมะเนี่ยต้องขอบใจแล้วขอบใจอีกเผอเผอขอบใจไม่พอกดแล้อีกก็ได้ ต่างกันมากเลยคนที่ฝึกตัวเองเนี่ยแล้วก็จะมีควาอ่อนน้อมถ่อมตนในตัวอ่อนน้อมอ่อนโยนขอโทษคนก็ง่ายถ้าทำอะไรผิดนะเพื่อไม่ให้คนอื่นแต่ทุกข์เพราเราแต่และคนที่หยาบช้าเนี่ยไม่ขอโทษแล้วก็จะเอาตัวกูคือความถูกต้องทํา้ายน้ําใจคนอื่นคือความสุขอย่างแต่จริงไม่สุขหรอกเพราะว่ากรรมให้ผลเนี่ยน่ากลัววิบากตัวเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงมรรคผลที่ผานหรอก เอาแค่ปัจจุบันถ้าเราทํากา ร, รแบบที่ว่าเนี่ยทําหาน้ำใจคนอื่นเนี่ยคนก็เกลียดชังเราแล้วอันนี้เป็นกา ร, รปัจจุบันอนาคตเราก็ไม่มีไม่มีใครช่วยเหลือมีใครคบค้าสมาคมด้วยถ้าเราเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นมีเบตาน่ะคนก็รักเวลาเดือดร้อนก็มีคนช่วยตลอดไปไหนมาไหนก็สะดวกได้รับความสบายมีเทวดาปกปักรักษาตกรถเดี๋ยวรถก็บรรับไม่มีเงินเดี๋ยวคนก็เงินมาให้ ไม่มีข้าวกินเดี๋ยวคนก็อาหารมาให้ถ้าเกิดเราทําเหตุให้ดีนะบทบทส่วนบทุกบทอะมีความหมายหมดถ้าเกิดเราสวดไปพิจารณาไปไมเมรัยสวดแบบนกแก้วนกขุนทองแบบสวดไปพิธีเนะี่ยมีปัญญาแฝงอยู่นอกจากบทอภิชาปเจเวกเนี่ยวันนี้เราก็สวดบทอันนี้ด้วยปัชิมพุทโทวาทปชิมพุทโทวาทเนี่ยเป็นบทที่ ให้เราไม่ประมาทนะเพราะผู้พระพองค์เนี่ยถือว่าเป็นมีคําพูดคำสุดท้ายแล้วว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาทัานทั้งหลายจงทําความไม่อระมาทให้ถึงพร้อมเถิดสังขารเสือ่อมสังขารเสื่อมทุกคนแหละแต่ถ้าเราแก่เราจะเห็นง่ายถ้าเราเป็นเด็กเด็กมันไม่รู้เรื่องเด็กมันหลงห่วงเล่นห่วงกินอย่างคนวัยอายุยี่สบกว่าสามสิบมหาละบาได้ก็ถือมีบุญเก่าเยอะนะเพราะตามหลังไม่มาหรอก มันอยู่ในวัยที่วัยที่แบบบ่งหาความทุกข์ทางโลกมากกว่ามีแต่คนแก่เนี่ยเห็นทุกเห็นโทษทางโลกอะถึงมาหาธรรมะรู้ว่าเดี๋ยวอุ้ยความเจ็บความตายมาถึงเนี่ยชีวิตเราไปขอไม่เที่ยงบางทีเราหาเงินมากมายต้องมารักษาความเจ็บป่วยที่เราชดเชยกับที่เราหาแหละบางคนไม่รักผ่อนเลยเพราะผ่อนไม่พอพอไม่คิดเป็นเนี่ยมันก็ มันก็รู้แล้วควรจะพักควรจะหาทําให้กายใจสมดุลใช้ชีวิตแบบถึงเวลาพักผ่อนมันก็พักผ่อนไม่ใช่ว่าถึงเวลานอนมันก็ไม่ยอมนอนร่างกายก็เจ็บป่วยมีหลายคนก็ไม่ค่อยยอมนอนหรอกตอนเช้าก็ตื่นไม่ไหวแล้วคนเรารู้ว่าทวัดตีสี่ตีสามเราก็ตื่นได้แล้วเราก็ต้องเอ้ยสามทุ่มเราก็นอนได้แล้วสามทุ่ครึ่งสีุ่่ไม่เกินสี่ทุ่มอะเราเราต้องเราตหลับแล้วอันนี้เป็นเวลานอนไม่ใช่เวลามา มาตื่นเอาเวลาทาความเพียนเวลารู้ความต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจำวันแล้วก็ต้องแยกให้แยกให้เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมเนี่ยทําให้เราทุกข์ได้กับไม่ได้ก็ไม่เท่ากับความคิดของเราเองอที่ทําให้เราทุกข์อันนี้หนักกว่ามากเลยตัวผู้พูดเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้คนสิ่งแวดล้อมเนี่ยทําเราทุกข์ได้แต่ก็ไม่หนักเท่ากับความคิดเราเองที่เราปรุงแต่งเระอฤโยนความผิดให้คนอื่นด้วยความคิดวิตกจริต ความคิด ท, ที่เราไม่รู้จักต่างๆเนี่ยบางทีให้โทษมากมายเลยให้โทษให้เป็นเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจเศร้าใจเปรียบเทียบหรือบางทีก็หลงลืมตัวก็มีหลงตนลืมตนคิดว่าเราเก่งคนอื่นดีคนอื่นอะไรเงี้ยไปเรืเ่อยเปื่อยความคิดหลอกนั่นแหละเพราะว่าธรรมจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมีแต่เอาออกไม่ได้เอาเข้าเวลาเราลื้อบ้านทิ้งแต่ละคนไม่เข้าใจมรรก็จะสร้างบ้าน ต่อเรือนทำไมเป็นการลือของเก่าออกนะลือภพชาติลือสันดานเดิมลือนิสัยเราเก่กาๆที่เราเคยเป็นเนะ่ยแต่เราไม่เห็นเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงกันแนะ่งั้นเราก็ต้องเห็นเห็นบ่อยๆเราพอเรารู้ปุ๊บมันก็ออกได้ถ้าเราไม่รู้เราก็ออกไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันนะแน่เราป่วยกายด้วยป่วยใจด้วยเราออกไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเป็นโรคอะไรรักษาก็ไม่ได้ สิ่งที่ช่วยเราได้คือเห็นความคิดถ้าใครเห็นความคิดได้เนี่ยคือต้นทา ง, งการปฏิบัติแล้วธรรมะจากหนังสือเนี่ยของปอมฮะแค่เป็นแผนที่เท่านั้นถ้าเราเริ่มเจรรติเห็นความคิดเมื่อไหร่ธรรมะจริงจะเริ่มปรากฏแล้วจะเริ่มเริ่มหลุดจากอารมณ์ต่างๆที่เราเคยติดเคยยึดชีวิตเราจะไปอิสระมากขึ้นเจออารมณ์ต่างๆก็ไม่แรงความอยากได้อย่างมีมันก็ไม่เยอะมันก็สามารถใช้ชีวิตธรรมดาได้ อย่าพาัฒนาโดนหลอกมากเลยให้อยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยบทีอยากได้มีชื่อเสียงบทีละหลอกให่อยากมีลักษณะอยากหลอกให้คนยอมรับเพอเพลหลอกให้มีอยากได้ตําแหน่งอีกเป็นเจ้าทัพตำบลเจ้าทัพอำเภอเจ้าทัพจังหวัดไอเลื่อยเปล่อยไปตามสเต็ปหรือบางคนก็ไปฝึกไปมหาเพื่อจะได้เ อ, อ้ยมีโก้มีตัวตนที่สูงคนอื่นมีปัญญาเยอะที่จริงถ้าเห็นความคิดเนี่ยทุกปัญหามีทางออกหมดเลยถ้าไม่เห็นไม่ออกเราก็เป็นท่าของมันต่อไป นันก็ขอฝากไว้ว่าธรรมะเนี่ยให้นึกถึงนิพพานเป็นเป้าหมายก่อนรึกถึงความตายเป็นนิดนึกถึงบ่อยๆ อ, อย่างที่หลวงพ่อไพศาลพูดอะชีวิตของเราเนี่ยทุกปัญหาจะเป็นเรื่องเล็กเลยต่อ้ทุกขนาดไหนต่อ้มีคนมาฆ่ า, าตายเนี่ยหรือตายด้วยอบัเหตุอะเราก็ต้องยอมรับถ้าวันนั้นมาถึง แล้วเราอาจจะไปดีได้ถ้าเกิดเราไม่ยึดถือตัวตนไม่ยึดถืออัตตา ม, มานะอัตมาพูดมาเขเห็นว่าสมควรเกิดเวลาเดีย๋ยวท่องกรอรโยมฟังหนึ่งกรกรนี้ก็เป็นกรที่สําคัญที่อัตมาชอบกรพัตติกาลัสแต่ท่องผิดก็ขอโทษด้นะผูะอ้อาณาบาเนี่ยไม่ได้วางแผนประเทศเหรอกไปแทนะจะสมใจแบบฉับพลันพูดนี่ก็คิดเฉพาะหน้านะไม่ได้วางไม่ได้มีวนัวนวนัวนรอดเรื่องแต่ทั้งสิน้นแต่อยากท่องกอนผิดก็ขอขอขอภัยด้วยนะ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 วันนี้เองเล่นกระทำซึ่งหน้าที่อันความตายแม้พรุ่งนี้ไม่อาจรู้ได้เพราะไม่อาจบอกปัดหรือผัดไว้ต่อความตายและเสนามันผู้มีเพียรเวียนไปอยู่เช่นนี้ทั้งที่พาราตีแข่งอยันนั่นแหละพัทเทกรัสอันสัตตบุรุษผู้รู้กล่าวกันเอ่ยขอให้มีความสุขความเจริญธรรม แต่ญาติโ ย, ยมยิ่ขึ้นไปเอวัง